สัมัมเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมเองมันเป็นประสบการณ์สยองขวัญในเรื่องของความรักของคู่รักคู่หนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพในสมัยนั้นผมยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัย และเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนอยู่ในกรุงเทพจึงต้องเช่าหอพักเพื่อเป็นที่พักอาศัยหลับนอนตลอดเวลาที่ผมอยู่หอตอนปีหนึ่งก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นจนเมื่อผมได้ขึ้นชั้นปีสองก็ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อบอนซึ่งเขาคนนั้นพึงจะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในหอพักเราเรียนคณะเดียวกันสาขาเดียวกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปไหนมาไหนด้วยกันทำให้เราทั้งสองคนซีกันมากจากเดิมที่เคยเช่าหออยู่คนเดียวมันทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายผมเลยชวนบอลมาอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้หารค่าห้องกันพอระยะเวลาผ่านไปไม่นานบอนมันก็มีแฟนผมเลยตัดสินใจแยกออกมาอยู่ตัวคนเดียวอีกหอหนึ่งเพราะก็เกรงใจมันกับแฟนอยู่เหมือนกัน จนเวลาผ่านไปประมาณ3 4ถึงเดือนที่ผมย้ายไปหออื่นพอเข้าเดือนที่หบอนกับแฟนก็เริ่มมีปากเสียงทะเลาะ ก, กันรุนแรงเหตุเพราะความหึงหวงของฝ่ายหญิงซึ่งคิดว่าบอนจะไปมีหญิงอื่นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงนั้นมันเป็นยังไงกันแน่จนวันหนึ่งบอนกับแฟนก็ทะเลาะ ก, กันรุนแรงมากแฟนบอนน้อยใจ จนคิดสั้นฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึกออกจากหน้าต่างหอนั้นเธอตกลงมาเสียชีวิตในทันทีขณะที่บอลกำลังนอนหลับอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นจนตื่นนอนขึ้นมาก็พบว่าแฟนของตัวเองนั้นกลายเป็นศพเสียแล้วชาวบ้านคนบริเวณ น, นั้นตำรวจและปอเต็กตึงมากันเต็มไปหมดหลังจากเกิดเหตุการณ์ ก็มีข่าวครึกโครมไปทั่วบริเวณนั้นจากการบอกเล่ากันปากต่อปากเกี่ยวกับนักศึกษาสาวกระโดดตึกฆ่าตัวตายส่วนตัวผมเองนั้นยังไม่รู้เพราะว่าผมอาศัยอยู่กันคนละหอวันรุ่งขึ้นหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จผมก็ไปเรียนตามปกติแต่ที่แปลกก็คือบอนมาคนเดียวไม่ได้มากับแฟนเหมือนยังเคย ผมจึงถามบอนไปว่าทำไมมึงมาคนเดียววะแต่บอนก็ทำได้แต่อ่ำอำอึงๆไม่ยอมตอบผมมันดูแปลกๆพวกผมก็พยายามถามเพราะพวกเพื่อนมันก็สงสัยอยู่เหมือนกันถามไปถามมามันก็ยอมบอกว่าแฟนมันกระโดดตึกฆ่าตัวตายพวกผมนิ่อึ่งกันไปพักใหญ่เลยทีเดียว แล้วถามมันว่าล้อเล่นหรือเปล่าแต่มันก็บอกว่าเรื่องจริงผมถามมันต่อว่าจะไม่ย้ายหอเหรอแต่บอนมันก็ไม่ยอมย้ายด้วยเหตุผลที่ว่าช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่ต้องโดนยึดมัดจำและมันจะต้องเสียค่ามัดจำใหม่เยอะมากคืนแรกหลังจากที่แฟนบอนเสียชีวิตไป เหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอคืนที่สองก็เริ่มมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆมันบอกว่าขณะที่นอนดูทีวีอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงฟังดูคล้ายเสียงแฟนที่เสียชีวิตไปเสียงนั้นแว่วมาเบาๆจับใจความอะไรไม่ได้มันก็เลยปิดทีวีเพื่อที่จะหาแหล่งที่มาของเสียงนั้น ว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่แล้วมันก็ได้ยินเสียงนั้นชัดขึ้นเสียงนั้นเรียกชื่อของบอลอยู่เมื่อพวกเราได้ยินดังนั้นก็ขนลุกสู้แต่บอนมันกลับบอกว่าก็ไม่ได้ครัวอะไรมากหรอกยังไงเขาก็เคยเป็นแฟนมาก่อนแล้วคืนต่อมาเสียงแฟนของบอนก็ยังคงแว่วมาอีกถามว่าบอนจะไปอยู่ด้วยกันไหม พูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหายไปบอนจึงตอบกลับไปว่าไม่ไปยังเรียนอยู่ยังไม่จบเลยแล้วหลังจากนั้นบอนก็โดนหลอกสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะโดนดึงขาบ้างโดนดึงผมบ้างหรือมีเสียงพูดที่หูบ้างจนบอนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วจึงรีบมาปรึกษาพวกผมผมก็เลยแนะนำไปว่า ให้ไปที่วัดวัดหนึ่งซึ่งดังมากในย่านนั้นแล้วพอบอนไปถึงก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อก็ให้พ่อหมอในวัดที่พ่อจะมีวิชาอาคมอยู่บ้างมาช่วยเหลือเมื่อพ่อหมอได้ฟังเรื่องราวแล้วก็บอกว่าเธอคุณนี้ตายจากการฆ่าตัวตายแต่จิตใจยังยึดติดสิ่งสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นก็คือบอน ยังไงเขาก็จะกลับมาแบบนี้ไม่มีจบสิน้นพ่อหมอเลยเสนอทางเลือกให้บอนลงไปนอนใต้เตียงของห้องนั้นเป็นเวลาเจ็ดคืนและห้ามออกจากใต้เตียงโดยเด็ดขาดวิญญาณจะมองไม่เห็นบอนเป็นการแก้เคล็ดและหากพ้นเจ็ดวันไปได้ทุกอย่างจะกลับเป็นปกติจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วบอน ก็กลับไปที่หอเพราะตกกลางคืนบอนก็จัดที่นอนใหม่เพื่อที่จะนอนอยู่ใต้เตียงเวลาผ่านไปสามวันก็ไม่เห็นบอนจะมาเล่าอะไรให้ผมฟังอีกจนกระทั่งวันที่สวันนั้นเป็นวันสอบแต่บอนกลับไม่ได้มาสอบแล้วเมื่อผมสอบเสร็จผมก็โทรหาบอนแต่ก็ไม่มีคนรับพวกผมจึงพากันไปหาบอนที่ห้อง เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าประตูห้องล็อกอยู่แต่ผมสังเกตได้ว่าบอลยังคงอยู่ในห้องแน่ๆจึงบอกแม่บ้านให้หากุญแจสำรองมาช่วยไขยประตูเข้าไปแต่พอเปิดเข้าไปเท่านั้นแหละกลิ่นเหม็นก็ได้โชยออกมาปะทะเข้ากับจมูกผมเต็มๆ ม, มันเหม็นมากจนบอกไม่ถูกภายในห้องก็มืดมากเพราะปิดผ้าม่านอยู่ เมื่อมองด้วยสายตาจากประตูหน้าห้องแล้วก็ไม่เห็นบอนพวกเรากับแม่บ้านจึงเดินสำรวจภายในห้องแล้วก็เกิดไปสะดุดอะไรบางอย่างจนเกือบล้มผมก้มลงไปดูก็เห็นแขนของบอนยืนออกมาจากใต้เตียงผมกับเพื่อนจึงรีบยกเตียงออกก็เห็นว่าบอนนอนกลางแขนออกตาค้างลิ้นจุกปาก และมีรอยเขียวช้ำที่บริเวณคอเหมือนกับว่าถูกบีบคออย่างรุนแรงผมจึงนึกถึงพ่อหมอคนนั้นที่บอกกับบอลว่าให้นอนใต้เตียงเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อแก้เครดวิ ญ, ญญาณจะได้มองไม่เห็นพวกผมรีบขึ้นแท็กซี่ไปวัดเดียวนั้นเลยพอไปถึงผมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อหมอฟังพ่อหมอก็แปลกใจและถามกลับมาว่า ตอนแฟนบอลกระโดกตึกเนี่ยเธอเอาส่วนไหนลงพื้นก่อนเอาขาลงหรือหัวลงก่อนผมก็ไม่ทราบจึงไดทโทดถามแม่บ้านที่หอนั้นก็ได้ความว่าสภาพศพของแฟนบอล น, นั้นหัวแตกคอหักกะโหลกยุบคงเป็นเพราะว่าเอาหัวลงพื้นก่อนพ่อหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น เธอคนนั้นที่มาหาบอลก็ไม่ได้เอาเท้าเดินมาแต่เธอเอาหัวไถกับพื้นมาจึงทำให้มองเห็นบอนที่อยู่ใต้เตียงแล้วเธอก็เลยเอาบอนไปอยู่ด้วย สัมผัสสยอง